เรื่องพวกภิกษุฉภะคีเกสครั้นต่อมาพวกภิกษุฉพพคีไปลานตากผ้าของช่างย้อมผ้าแล้วพากันลักห่อผ้ากลับมาวัดแบ่งกันภิกษุทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านมีบุญมากจีวรจึงเกิดขึ้นแก่พวกท่านมากพวกภิกษุฉพะคีตอบว่าพวกผมจะมีบุญมาจากไหนกันพวกผมไปลานตากผ้าของช่างย้อมแล้ว ได้ลักหอผ้าของช่างย้อมมาเดี๋ยวนี้เองภิกษุทั้งหลายจึงท้วงติงว่าท่านพระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วไม่ใช่หรือเหตุไรพวกท่านจึงลักหอผ้าของช่างย้อมมาเล่าพวกภิกษุนชาวพคีกล่าวแย้งว่าจริงท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วแต่สิกขาบทนั้นใช้เฉพาะในบ้านไม่ใช่ในป่าภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่า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 ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสครั้นตำหนิพวกภิกษุชาวพคีโดยประการต่างๆแล้วจึงตรัสโทษแห่งความเป็นผู้เลี้ยงยากคนแห่งการปรารบความเพียรและทรงแสดงธรรมีกถาแก่ภิกษุทั้งหลายให้เหมาะสมกับเรื่องนั้นแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกศิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้